พยุราชมังคุลทัญบุรี a i r f อ8 9 5เมกเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัทพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดกรกุลกนิตทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพร้อมเสียสละจิตอาสารอบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน ำด้วยสองมือและจิตใจดิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา สุดัว สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมรัฐพลดีอุดนะครับครั้งกับรายการสุขอาสาทุกคืนวันสุกแบบนี้ครับทางวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์นะครับมาพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานอาสานะครับเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานอาสาที่เราจะนํามาแชร์นํามาเล่านํามาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันที่นี่นะครับที่รายการสุขอาสาครับุฟังครับวันนี้ในตอนต้นของรายการนะครับเรามาเริ่มช่วงแรกกับเรื่องรา เอาของคิดอาสานะครับวันนี้วันนี้ผมนําเรื่องราวของการเตรียมตัวเป็นอาสาในภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นบทความจากธนาคารจิตอาสาที่หยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับในสภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติหลายคนกําลังอยากออกไปทํางานสายอาสาหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นและเพื่อให้การทํางานของเราเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุด อย่างแรกเลยนะครับผู้ฟังเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงอยากไปทำงานอาสาเหตุผลอะไรก็ได้ไม่ผิดหรือว่าถูกนะครับดีหรือไม่ดีแต่มีความจริงจังกับใจของเราการทบทวนเรื่องเหล่านี้จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนรวมถึงเติมพลังให้เราเนี่ยเมื่อออก ไปทำงานนะครับอย่างที่2ครับสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราควรประเมินร่างกายของตัวเองก่อนนะครับอย่างเช่นงานอาสาที่เราจะไปทำเนี่ยอาจก่อให้เกิดบาดแผลก็ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับทั้งนี้เพื่อให้ไม่กลายเป็นภาระของผู้อื่นและการดูแลตัวเองก็เป็นเหมือนการดูแลคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปครับเรามีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับหากเราได้สำรวจตัวเองก่อนเราก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่บางครั้งหน้า ง, งานที่ เราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่เราถนัดเราเองก็ต้องวางใจด้วยนะครับและข้อต่อไปนอกจากความพร้อมทางใจและทางกายแล้วนะครับเราควรจะประเมินเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายและข้อจํากัดอื่นๆที่จะเกิดตามมาด้วยนะครับอย่างที่2นั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านนะครับอย่างแรกเลยแต่งกายให้เหมาะสมเตรียมเงินให้พอสําหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับเราควรเตรียมความพร้อม ของปากท้องด้วยนะครับควรทานอาหารให้พร้อมหากไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรไปฝากท้องไว้กับหน้างานที่เราจะไปนะครับหรือหากมีการนัดหมายไว้นะครับเราก็ควรไปให้ตรงเวลาหรือถึงก่อนเวลานะครับอย่างที่สามครับสิ่งที่ควรทาเมื่อถึงหน้างานนั่นก็คือมองหาจุดลงทะเบียนเลยครับเมื่อเราไปถึงหน้างานปุ๊บมองหาจุดลงทะเบียนเป็นอย่างแรกเพื่อสอบถาม ผู้ดูแลว่าขั้นตอนของงานนั้นมีอะไรบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือมีอะไรบ้างนะครับเพราะแต่ละงานจะมีระบบการจัดการที่แตกต่างกันการที่เรามุ่งไปทำงานเลยอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีนะครับแล้วก็สามารถบอกความถนัดและความสามารถพิเศษของเราให้กับเจ้าหน้าที่ได้เพราะบางงานอาจจะไม่มีการถาม การที่เราบอกออกมาจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรู้ว่ามีใครทำอะไรได้บ้างหากมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถนั้นเขาจะเรียกเราหรือเรียกอาสาที่ถูกต้องนะครับข้อที่4ครับตั้งสติเมื่อลงมือทาครับข้อที่4ครับตั้งสติเมื่อลงมือทำ ขอให้แน่ใจว่าเราเข้าใจสิ่งที่กำลังจะทำหากมีข้อเสนอที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก่อนเสมอนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรโดยพารการหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับเมื่ออยู่หน้า ง, งานอาจจะมีความไม่ถูกใจหงุดหงิดกัน ยิ่งบางงานเร่งด่วนก็ยิ่งเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายขอให้เราเนี่ยมีท่าทีที่ดีกับสิ่งพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการฝึกดูแลอารมณ์ของตัวเองฝึกการละทิ้งตัวเองและเป็นการขัดเก่าตัวเองไปด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เราทุกคนร่วมกันทําอยู่นั่นคือการทํางานเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและอีกข้อนึงนะครับถ้าหากเราไม่ไหวก็ขอให้บอกนะครับอย่าได้ทําฝืนจนเกินกําลังของเราเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเองแค่เพื่อตัวเองนะครับ แต่เพื่อให้เราสามารถไปดูแลคนอื่นต่อได้ดังนั้นการดูแลตัวเองจึงเป็นการดูแลคนอื่นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5เมื่อจบงานเราควรทบทวนและแบ่งปันนะครับหลังจากจบงานแล้วทบทวนสิ่งที่เราได้ไปทำมานะครับทั้งความประทับใจและเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นลองถามตัวเองนะครับว่าเราได้เรียนรู้จาก อะไรบ้างจากกิจกรรมเหล่านี้นะครับและมีอะไรที่เราสามารถทาได้ดีกว่านี้อีกบ้างเพราะการได้ย้อนนึกถึงทบทวนมีประโยชน์มากต่อการพัฒนาตัวเองและการทำงานจิตอาสาของเรานะครับนอกจากนี้ยังเป็นทั้งประโยชน์กับวงการจิตอาสาอีกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจการเรียนรู้ของเรารวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาจากการไปทำงานอาสาหรือการไปเป็นจิตอาสาเป็นการส่งต่อความสุขอีกทางหนึ่งในสังคมนะครับและหากมีโอกาสก็อาจจะสื่อสารข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเหล่านั้นให้กับคณะที่ทำงานนะครับที่เป็นหัวเรี่ยหัวแรงในการจัดงานได้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอาสา ในครั้งต่อไปรวมถึงพัฒนาต่อๆไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกคิดอาสาที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับบทความของธนาคารจิตอาสาในการเตรียมตัวเป็นจิตอาสาในสภาวะสุกเฉยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักกู้นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสานําเรื่องราวของพลังศิทธิ์เก่าจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการทําความดีช่วยเหลือเพื่อนร่มโลกนะครับสถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร น, นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เตรียมไว้แล้วใน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 กลับมากับช่วงคนอาสาครับวันนี้คนอาสานะครับนำเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเป็นการรวมพลังสิทธิเก่าจิตอาสานะครับในการทําความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนล้มโลกกับสถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรนะครับคุณผู้ฟังครับสัตว์และแมวจรจัดนะครับกลายเป็นปัญหาคู่สังคมไทยมานานนะครับแม้ในปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะพยายามร่วมด้วยช่วยกันในการลดจํานวนประชากรหมาและแมวจรนะครับด้วยการทําหมันบ้างนะฮะรวมทั้งรณรงสร้างจิต นึกให้กับผู้เลี้ยงให้มีความรับผิดชอบไม่ทิ้งคว้างแต่สุดท้ายก็ยังพบเห็นการทิ้งสัตว์เลี้ยงไม่เว้นในแต่ละวันนะครับปัญหาของการทิ้งสัตว์เลี้ยงสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายจากสัตว์นะครับโ ด, ดยเฉพาะโรคพิษสุนักบ้ารวมไปถึงหากไม่มีการควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้ก็ย่อมเกิดปัญหาแมวจรจัดมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงหน้าร้อน หมาแมวจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับหากมนุษย์เราไม่ระมัดระวังตัวเองรวมทั้งดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์กัดหรือขวัญได้และหากเกิดโรคเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็อาจยังต้องเสี่ยงอันตรายจากการได้รับบาดเจ็บอยู่ดีนะครับด้วยอย่างไรก็ดีครับผู้นู้ฟังปัญหาของสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งคงให้แค่หน่วยงานรัฐช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่เราทุกคนก็ควรมีส่วนร่วมนะฮะโดยเฉพาะเจ้าของนะฮะต้องมีความรับผิดชอบในขณะที่องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งก็ยังช่วยเหลือกันในหลายพื้นที่นะครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังอาจารย์อาทิตย์เสาธงใหญ่ผู้อํานวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ได้นําทีมนักศึกษาสิทธิเก่าจิตอาส า, นะานะฮะคณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์คณะบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาสาปันสุข SPU ร่วมพลัง จิตอาสาสร้างความดีนะครับด้วยการจัดกิจกรรมหาไรายได้เพื่อนำเงินและสิ่งของอาทิอาหารสุนัข แมวนำไปสมทบทุนและมอบให้กับสารสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรอําเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งในการทําครั้งนี้นะฮะก็ได้ไปช่วยเหลือสัตว์สุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมจํานวนหลายพันตัวต่อไปนะครับซึ่งสําหรับสารสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรนะครับผู้ฟังตั้งอยู่ที่ตำบลม่วกเหล็กอําเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นสารสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมปศุสัตว์ในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจจรััดมาตต้งแ่ปี2547 นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลที่อำเภอบ้านกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับต่อมาสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับประสบปัญหาอุทกภัยในปี2554จึงได้ย้ายมาที่สถานแห่งนี้นะครับบนเนื้อที่จำนวน39ไร่โดยปัจจุบันมีสุนัขและแมวจรจานวน 2,126 ตัวเป็นสุนัขเพศผู้จานวน794ตัวสุนัขเพศเมียจานวน 1,032 ตัว แมวเพศผู้จำนวน101ตัวและแมวเพศเมียจำนวน199ตัวนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสํานัก ง, งานปศุสัตว์จัดหน่วยสั ต, ตวแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารักษาพยาบาลสัตว์และทําการผ่าตัดทําหมันให้กับสัตว์เหล่านี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวในเครื่องของคนอาศาในวันนี้นะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกับการรวมพลังศิทธิเก่าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในการทําดีช่วยเหลือเพื่อนมโรคสัตว์ จอจัดนะครับที่สารสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรจังหวัดสระบุรีครับฟังครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการกับภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสานาเรื่องราวของการบริจา่รรางกายการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ในวันที่หมดลมหายใจมาฝากคุณฟังกันครับ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 มาชวนคุณผู้ฟังบริจาคร่างกายนะครับทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในวันที่หมดลมหายใจนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าการบริจาคร่างกายเป็นการอุทิศร่างกายหลังจากการเสียชีวิตด้วยความสมัครใจนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ร่างของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะครับโดยการบริจาคร่างกายนั้นสามารถทําได้ตั้งแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในปัจจุบันผู้บริจาคสามารถบริจาคร่างกายได้ตามสถานพยาบาลหรือภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย <man> ต่างๆที่มีการเปิดรับการบริจาคร่างกายนะครับทั้งนี้การบริจาคร่างกายจะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการนำร่างกายไปใช้โดยจะเน้นไปที่การศึกษาเป็นหลักนะครับซึ่งการบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์การบริจาคประเภทนี้จะมีการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ในสาขาวิชาต่างๆหรือนำไปจัดทําพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อไปนะครับหรือจะเป็นการบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการผ่าตัดสําหรับแพทย์ เฉพาะทางในการบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เฉพาะทางมีความชํานาญในการผ่าตัดบริจาคเพื่อให้เก็บโครงกระดูกเพื่อใช้ในการศึกษาคือการบริจาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเก็บ โครงกระดูกไว้ในการศึกษาเท่านั้นนะครับทั้งนี้การบริจา่างกายสามารถเลือกได้ประเภทเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่ยังคงสับสนว่าการบริจาคร่างกายคือการบริจาคเพื่อนําอวัยวะไปปลูกถ่ายซึ่งความเป็นจริงแล้วการบริจาคคนละแบบกันนะครับคุณผู้ฟังโดยการบริจาคเพื่อนําอวัยวะไปปลูกถ่ายนั้นเราจะเรียกว่าการบริจาคอวัยวะและอวัยวะที่สามารถบริจาค ไ, ได้ได้แก่หัวใจตับไตปอด ออ่นกระดูกนะครับใครสามารถบริจา ร, ร่างกายได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งการบริจา่รรางกายสามารถทําได้ทุกคนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการตรวจสุขภาพโดยผู้ที่บริจาคจะต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปและหากอายุต่ํากว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสามารถบริจาร่างกายได้นะครับแต่ทั้งนี้ในบางกรณีอาจคัดค้านการบริจา่รรางกายได้ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่พึงกระทําได้นะครับแต่ถ้าหากผู้บริจาคมีความตั้งใจจริงในการบริจาค ก็อาจจะทําให้ในกรรมมอบร่างกายให้แก่หน่วยงานที่บริจาคร่างกายไว้ได้นะครับโดยข้อกําหนดในการบริจาคร่างกายนะครับคุณผู้ฟังแม้การบริจาคร่างกายจะสามารถทําได้กับทุกเพศทุกวัยแต่การบริจาคก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ไม่น้อยเนื่องจากร่างกายที่บริจาคเพื่อให้ ใช้ในการศึกษาจะต้องมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับจึงจะสามารถใช้ในการบริจาคได้อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของหน่วยงานรับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคอีกด้วยนะครับด้วยหน่วยงานที่รับบริจาคสามารถปฏิเสธในการรับร่างผู้บริจาคได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยเสียชีวิตขนาดอายุเกิน80ปีน้ําหนักต่ํากว่า40กิโลก ร, รัมนะครับ เสียชีวิตเกินกว่า24ชั่วโมงโดยไม่ได้ถูกเก็บรักษาล่างไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาลผู้บริจาคร่างกายเคยได้รับการผ่าตัดหรือมีร่องรอยของความเสียหายบริเวณศีรษะและสมองก่อนเสียชีวิตผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งที่บริเวณศีรษะและสมองหรือจากการติดเชื้อรวมถึงโรคร้าแรงอย่างชิ้นเอทไวรัสลงตับวัณโรคโรคไตโรคเบาหวานหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้บริจาคร่างกายมีคดีที่มีการเกี่ยวข้องกับคดีหรือต้องมีการพิสูจน์นะครับร่างของผู้บริ จากผ่านกระบวนการการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว ร่างของผู้บริจาคมีสภาพไม่เหมาะสมอย่างเช่นศพเน่าเปื่อยอวัยวะขาดหายไม่ครบสมบูรณ์หรือบริจาคเก็บศพของหน่วยงานรับบริจาคเต็มก็จะเป็นข้อจํากัดของการบริจาคร่างกายนะครับซึ่งการบริจาคร่างกายก็มีขั้นตอนหลายอย่างเลยนะครับคุณฟังซึ่งขั้นตอนในการบริจาคร่างกายของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับโดยเมื่อผู้บริจาคมีความชานุงที่จะบริจาคร่างกายก็ต้องไปยังหน่วยงานที่ต้องการบริจาคและต้องการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือ รูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือ2นิ้วจำนวน2รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบจากนั้นเมื่อถึงหน่วยงานที่รับบริจาคแล้วจะได้รับเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มในการบริจาคร่างกายซึ่งผู้บริจาคจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับและต้องระบุถึงผู้แจ้งการถึงแก่กรรมแก่หน่วยงานหลังจากนั้นนะครับเมื่อยื่นเอกสารต่างๆครบแล้วผู้บริจาคจะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคผู้บริจาคควรเก็บไว้ในไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาคร่างกายนะครับนอกจากนี้นะครับในการบริจาค ร่างกายของผู้ป่วยในบางแห่งอาจจะต้องให้ผู้บริจาคส่งจดหมายแสดงเจตจำนวงว่าจะบริจากร่างกายให้หน่วยงานหลังเสียชีวิตเพื่อเป็นเอกสารยืนยันกับญาติว่าหลังจาก ผู้บริจาคเสียชีวิตแล้วจะได้ทําการบริจาคร่างกายเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนการบริจาคร่างกายนะครับผู้บริจาคจะต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อยนะครับและควรแจ้งความประสงค์แก่ญาติและจัดเตรียมผู้ที่จะกระทําการในเรื่องของการมอบร่างผู้บริจาคหลังจากการเสียชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความมุ่นวายหลังจากการเสียชีวิตและไม่ทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันจนอาจทําให้สภาพศพของผู้บริจาคไม่สามารถบริจาคได้นะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายก็ควร ติดต่อสอบถามกับหน่วย ง, งานที่ต้องการบริจาคร่างกายโดยตรงเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะครับโดยการแสดงความประสงค์การบริจาคร่างกายจะใช้เวลาเพียงไม่นานครับคุณผู้ฟังโดยหลังจากการบริจาคร่างกายผู้บริจาคควรเก็บรักษาบัตรประจําตัวผู้บริจาคไว้ให้ดีนะครับหากทําหายก็ควรแจ้งกับหน่วย ง, งานที่ทําการบริจาคเพื่อทําบัตรนะครับนอกจากนี้ในะระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็มีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยผู้บริจาคควรแจ้งกับหน่วย ง, งานที่เคยบริจาค ร่างกายไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการจัดการหลังกะหลังจากการเสียชีวิตนะครับหลังจากหน่วยงานได้รับร่างของผู้บริจาคแล้วร่างของผู้บริจาคจะถูกเก็บไว้สําหรับการศึกษาไม่เกิน3ปีแต่ถ้าหากเป็นการนําไปไว้สําหรับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคหรือเก็บโครงกระดูกแพทย์จะนําร่างของผู้บริจาคเข้าสู่กระบวนการอื่นๆต่อไปนะครับทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาในการศึกษาญาติผู้บริจาคสามารถนําร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาเองได้หรือจะนําร่างของผู้บริจาคเข้าร่วมรับพระราชทานเพลิงศพก็สามารถทําได้เช่น ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับโดยจะมีการกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพและให้ญาติของผู้ประจากร่างกายได้เข้าร่วมนะครับจากนั้นจะมีการ จัดเก็บอัฐิของผู้บริจาคไม่เกิน5ปีโดยรายละเอียดในการบริจาคก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่รับบริจาคร่างกายหรือหน่วยงานที่ผู้บริจาคมีความประสงค์จะอุทิศร่างกายนะครับโดยสามารถบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะครับที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ห0ึ่งนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ศู2ย์สองสอหนะครับหรือจะบริจาคที่แผนกอุทิศ ร, ร่างกายเพื่อการศึกษาสาราธินภัตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเลขที่1873ถนนพระราม4ี่แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์หนึ่งนะครับหรือจะบริจาคที่ภาควิชากายวิภักษศาสาตร์โรงพยาบา 4, ลศริราชนะครับเลขที่2ถนนวางหลังแขวงศิริลาชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1นึ0งนะครับ หรือจับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับหาว่าการบริจาคร่างกายผ่านระบบออนไลน์นะครับก็จะมีหลายโรงพยาบาลที่รับบริจาคร่างกายผ่านระบบออนไลน์นะครับมีขั้นตอนต่างๆอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะนํามาฝากคุณผู้ฟังอีกทีหนึ่งว่าการบริจาคร่างกายออนไลน์เนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอย่างไงบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ต่างๆที่เขาได้ลงขอรับบริจาคไว้นะครับ คุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่ผมนำมาฝากในวันนี้กับรายการสุขอาสนะครับผ่านไปทั้ง3ช่วงทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะครับสหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปละครับสวัสดีครับ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 ของคนสู่จนสุดแรงทำความดีเป็น้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแรงจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคนดังบรรพชนสร้างไทยให้เราสำราษ คือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผ่นดินทำทุกวานนีเป็น รใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทำให้ความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทาน คนไกลจิตอาสาพระราชทาน